เราเป็นขาวพุธพระพุทธเจ้าของเราเป็นทรงเป็นนักเหตุผลนักอ่านนัก ร, รมนักยุ่นักฉลาดแหลมคมและเป็นพลังแห่งธรรมผลธรรมที่อยู่ในพระกลางของพระองค์คือพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นมีแต่พระธรรมดวงพระเจริญ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 กลอมจนเคลิ้มหลับไม่รู้สึกตัวเลยจะวางไงแต่ทำไมนักปราชญ์ท่านตำหนินะพวกเราทาไมชอบเนี่ยนะชอบอะไรมันก็เจอนะอันไงชอบทําก็เจอทาชอบที่เลลกชอบทุกข์ก็เจอทุกข์มันหาได้ด้วยกันสุ ข, ขก็หาได้จากเราคนเดียวทุกข์ก็หาได้จากเราคนเดียวตามสาเหตุที่ดำเนินไปผลจะต้องเป็นอย่างนั้นโดย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 ภามลงมาแล้วท่านส่องดูบาดให้ตรงกับตะวันท่านมีความหมายว่าบาดนิจะรุตรงไหนมั่งส่องไปที่แจ้งคือส่องสุภาอาทิตย์มองไปต้าวว่าบาดนิทะุตรงไหนช่องไหนก็จะได้ อ, อุดนีลูกศิษย์เห็นอาจารย์ส่องบาดก็ส่องเลยส่องไม่ทราบเวลามามาถามแล้วนะส่องเพื่ออะไร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 คิดคิดโศกหรือคิดเธ่เนี่ยยุ่งไปหมดอ<ะ>พอออกเสีทางกลัมาเอ๊ะวันนี้จิตไม่เห็นมีความสงบปะแล้วเดินจงกรมตั้งนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันจะไม่ได้เรื่องมันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่เอาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความสงบเอาแต่เรื่องวุ่นวายผัวพันอยู่กับจิตตลอดเวลาเอาถ้ามานั่งภาวนา น, นั่งก็เอาละนั่งก็นั่งคิดนั่งกรุงนั่งยุ่งนั่งเยอะวุ่นไวายไปหมดแหน่นี่นาฬิกามก็ได้สั้นนาทีได้สั้นนี้นาที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 จิต ท, ที่ความสุขไม่เกิดความสุขไม่มีเพราะจิตไม่สงบจิตวุ่นูตลอดเวลากาควนเยนอยู่โดยสม่ำเสมอความทุกข์มันก็เป็นอยู่เรื่อยเพราะป้อนเหตุให้เรื่อยการฟังทำผลเนี่ยห้าประการสุดท้ายคือว่าจิตย่อมผ่องใสนะักจิตจะผ่องใสได้จิตต้องอยู่กับตัว